พระธรรมเทศนาแผ่นที่96าลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่19พฤษภาคม2559มีชื่อเรื่องว่าไม่กล้ากินบุญเก่า จะไปหาคุยกันคุยในบ้านพราะแห้งเลยจะไปหาคุยในวัดวะเหตุบอกกูบายตังสี่สิบ้าสิบองค์เพิ่นบ่เห็นคุยกันเพิ่นนงของไผของมันพวกเขานี่ยพ่อปานกกระจอกเมื่อเกนีผ่มกุเถรกูบาจา์เพิ่นถวายจตุปัจจัยในงานของเขาเเป็นสมพานเพิ่นถวายวัดรเมินเพิ่นได้ใส่ในวัดเพิ่น กันอดายเป็นสมผ่านพอดเป็นสมผ่านมาแท่นสมผ่านนะลดลงนะถวายองค์รหาพันมาน้วแล้วก็ปราวัตรเนืองไมคือการทัาบุญของเฮาเมอนกเป็นการอุทิศสวนกุศลตั้งเนี่ยต่างเจ้าผาเพิ่นเจ้าของบ้านของเพิ่นที่เพิ่นอยู่นํากันหลายขู่หลายคนเพิ่นอยากอุทิศสวนกุศลต่อ ดวงวิญญาณที่เคาะเกี่ยวของของแวะอยู่นสถานที่แห้งนี่จนตลอดถึงภูิมะลุกคเทวดาภู้ละผูมกิดแล ะ, ะสาภูมิสถานทีที่จู่ในแหวกนี่ที่นี่ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากเจ้าภาพจากพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ได้ทำบุญอุทิศชวนกุศลต่อพระสงฆ์ในมือนี่การทวาหรหวงวิญ ญ, ญาณใดแห่ตกทุกข์กใดยากก็ขอให้ผลจากทุกข์ทำให้ความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขสุกเย่งขึ้นเย่งขึง้นไปทวารดลวงวิญ ญ, ญาณใดบ่รับหูรับสามบอกมี ญ, ญาณนาวิธีเทพเจ้าเราเทว่าผูมี่หูทิพตาทิพผูม่แี่จิตที่เป็นทิพก็บอกกาว บอกเกาอุทิศ ส, สวนกุศลให้อนุโมทนาจากพวกชัททาญาตน่อมลูกหลานาที่ได้ได้ทำบุญในอุทิศในเมื่อนี่ เ, เมื่อได้รับแล้วขอให้มีความสุข ก, กายสุขใจให้มีความสุขจิตใจไปสู่สุขติภูมิทางปาฏินายุจยุด ๆ, ๆใดขอให้สมหวังดังปาฏิหาทุกทุกดวงใจทุกๆหลดวงวิญญาณ อันนี้ก็คือพววเข้าทับบุญุทธิ์ส่วนกุศลในมือนี่แล้วก็พร้อมกันเป็นการ เ, เมื่อสั่งอาคารขึ้นมาอย่างพววเข้าเน่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหะแต่ ก, ก่อนกหลังหน่อยๆบ้านย่อมย้มสอสที่เข้าได้รับมาเพิเ่นทั้งทั้งขายพร้อมทั้งถวายพรอมนะ่ะให้วัดว่าศาสนาแล้วก็หลวงพ่อก็ได้สั่งอาคารขึ้นมาทั้งไตพนะ่ะ เมื่อท่านอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกหลานผู้ใดเป็นอุบาสิกายอยากจะมาเบิ่งเอ อ, อต่อไปไพ่ภาคหนาถึงภูคาอยากจะมาปฏิบัติถ้ำหน่ชูใดน้องหมองกุฏิที่พักก็ไปเบิ่งก็ได้นะเมื่อท่านอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมกันเส น, สนาสนะจุดนี่ก็ดีจุดทงางไตก็ดีที่ก่อสร้างขึ้นมา ม, ม, มดไปหลายเงินทีเดียวนะลูกหลานแล้วก็เงิน ทั้งหลายทั้งปวงนี่ยบรมเนเงินของหลวงพ่อได้เป็นเงินของสัทธาญาดย่อมคนละมากคนละน้อยมาร่วมกันแล้วก็สร้างถาวน์ว่ในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือพระพุทธศาสนาคือกันนะเป็นส้ำหนักชีก็คือเป็นสถานที่ปฏิบัติร้ำของพวกเข้าบรมเอ็นของผู้หนึ่งผู้ใดบรมเนของอแม่ชีผู้หนึ่งผู้ใดบรมเนของหลวงพ่อ ผู้ใดเข่ามากับมา ก, กับปฏิบัติธรรมใดผมมีคา เ, เก็บผมมีคาผักคาของคือกันลงแลมบอมแมนมิ่งจะเป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นแหละผู้ไรมาพักกะเอาพวกเจ้าภาพทั้งหลายกับมี่งจะต้องการบุญกุศลจากผู้ที่มาพักมาตัาง้งจิตตั้งใจภาวนา เ, เว้นเสียแต่มาเลยม้าทะเลาะทะเลา ะ, ะ, ะกันบอ่อนําเลยนะแนวบาปนะ ผัวไรมาเนอะมาคิดพยาบาทอาขาดจองเว้นกันอยู่นี่โมโหโกรธท่าด่ากันอยู่นี่อันนั้นผัวเข้าผัวอาอนน้ำละให้หมอบไปเจ้าของเขาไปเอาเอาไปพอเหตุใดเพราะมันเป็นบาปนะแต่เชียงใดที่เป็นบุญให้ภาวนาท่ามจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่ง อ, แ ล, งนะอแล้วก็แผ่อุทิศส่วนกุศลนั่นแหะเขามีส่วนพัวเข้าแต่สั่งเสนาสนะเกิดมากนีมิส่วนได้รับบุญรับกุศลจาก ท่านผู้บ้าปฏิบัติต่างองค์ต่างอกต่างใจภาวนาเพราะนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่บําเพ็ญกุศลบําเพ็ญจิตตะภาวนาเพราะนั้นให้ประกาศให้คณะทัทธาญาตโยมเนอะลูกหลานทุกคน เ, เป็นสถานที่โมเมนของผู้หนึ่งผู้ใดผมเป็นผู้ใดใคร่ผู้หนึงมมนหน่ ง, ลงและก็พร้อมกันจะตุปัจจัยที่ใดมากอย่างที่ลูกพ่อได้พูดได้กล่าว เงื่อนแต่เงื่อนกระถินพลรามาเงื่อนกระถินเงื่อนผาป่าปัจจุปัจจัยที่คนถวายต่างกล่ำต่างว่าระหลวงพ่อเกิดในฐานะที่เป็นหัวหนาก็ได้เก็บหอมรอมรียบร้อยแจกจใจไฮงวดจนแล้วเซจอย่างที่พวกเข้าทั้งหลายได้รู้ได้เห็นนี่แหละพราะนั้นเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกทัดทายญาติโยมถวายคนเราเล็กเราหน่อย บุญกุศลทั้งหลายกขอให้ฉเฉลี่ยไปกับพวกเฮาทุกขู่ทุกคนผู้ใดมีทุกก็ให้พ้นจากทุกมีความสุขในจิตในใจโดยอเนิสงสีอเนสงท่านขันผู้ใดมีอุปสรรคในการดำาเนินชีวิตในการทำมหาเลี้ยงชีพมีอุปสรรคคัดของขอให้ลุล่วงไปโดยดีโดยอเนิสงท่านอเนสงสีของพวกเฮาอานสง ประกอบคุณงามความดีของพวกเฮาอเนกสงการท้าบุญทําท่านของพวกเฮ า, าที่ได้ร่วมกันสรา้างเสนาสนะไหวในพระพุทธศาสนาเานี่ยแหะอเนกสงท่านบ่มเป็นของเล็กหน่อยได้คณะศ่าท่ายาดโยมอย่างหลวงพ่อไปเบอกอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเมือ่อคราวที่แล้วเนี่ยการทว่าวเฮาบทเหตตอมันหมดเป็นคือกันได้คือกันกับเข้าเหตหเหตหนาเนี่ยโอ้ปีนี้เด็กเขาเป็นหลายตัน หลายหลายพันกิโลหลายตันแต่ปีหน้าเพเห็ดกินอันเกา่าปีหน้าเพระเห็ดอีกกินอันเกา่าเอาไปมาสองสามปีเท่านั้นถึงจะเห็ดไปหลายมันก็มดคือกันไม่พ่ายใดพอเข้าบ่อสางต่อเลยนี่คือกันผลว่าพระพุทธเจ้าเผนว่าคันว่าพวกเข้าบ่อสางต่ อ, อบ่อทำต่อบ่เห็ดหน้าต่ออีกปีนี่ก็เห็ดปีหน้ากระเห็ดถึงจะเห็ดได้มากได้น้อยกระเห็ดมันกระเนื้อกันไหว บางปีก็ฝนแรงมันก็ได้หน้อยแน่กันบางได้ฝนดีเหมาะสมบ่อถั่วบ่อแหล่งปีนั้นก็ได้เข่าหลายไอ้ข้านว่าปีไหนมันแรงก็ได้เข่าหน้อยลงวปีไนน้ำถั่วมมันก็ได้หน่อยลงไอ้นี่อันนี้ก็คือกัรน่ะการสร้างบุญสางกุศลแต่ละภพระชาติแต่ต้องสางข้านว่าบอสางมันเมื่อตเฮ็ุปีนี้โอ้รุ้ยละไปเผอเหตุอีกดอก เอาไปมากก็แล้กินแต่ของเกา่าไปมากมัดมัดบุญในขังพระพุทธเจ้ามีอยู่ที่หลวงพอ่อวัในประเทศอินโดนีเซียมอ ว, ว่านมะกรองพ่อว่าขั้นห้องประสาทไหวมัดบุญกุศลมีผ้ามผูนึงเป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนี่ได้ทำบุญกับพระปัะเจกพุทธเจ้าประกาศให้คนทำบุญประกาศว่า ทำบุญกับพระประเจกพุทธเจ้านะ่ะพวกเขานดะ้หลูกล้านเนอะคนทั้งหลายก็มาทําบุญนวนไปตักบารตรพ่อปเจกพุทธเจ้าแต่ส่วนตาผ้ามต่เป็น อ, องค์ามันตรีนี่เอ๊อยสมณะกินเขาแล้วกินอาหารที่ดีๆเขาแล้วนะี่ไปนอนตีพุ่งอยู่ในปานะ่านนะประเทศมาซอยบ้านซอยเมืองไง อ, งอ้ยักเออคิดได้ใหญ่ๆวนไปตัวเองบอททำเลย มีแต่คืดจังสันแต่บอกให้คนท่ำยุลงไปแต่ว่าในใจในี่คืดจังสันอีกลงไปบานแล้วก็พอโลหิตตายจานพวกนี้กินเขาในตลาดแล้วก็เลียเขาในเวียงว่างว่ได้ท่ำบุญบอกแต่ให้ผู้อื่นทําบุญพอไปทําบุญต่อมา้พ้นก็ได้ตายอ้ตามอายุสังขาร น, น่ะวะผล อ, อายุแกพ้นก็ตายแล้วคนจิตวิญญาณในชั่วฟ่าดินสลายอย่างไี้คนก็ต้องตายเป็น เโลหิดพ่อหนังเลยตายพ่อตายไปกับไปสู่สวรรค์เลเอ่ไปสู่สวรรค์เนาะพออเนกสงที่ประกาศให้คนทำบุญเลยเอ่พ่อเจ ก, ก็ออกจากนิโรธสมาบัติกนรพลายทำบุญก็ได้บุญไหลไกันออกไปการพลายเฮ็ดบาปก็ได้บาปหลยข้ากันก็พราเปจกิกผู้ใจเจ้าที่เป็นออกจากนิโรธสมาบัติเพื่อเขาเพือ่อคือเพลินเขาสู่นิพพานเอเจ็ดมือพอออกมาเนี่ยเพนหิวเอคือการกับเพลินเอ่ไปจอดรถอยู่ แม่ข้โลดตัดยังเสร็จนะไปจอดรถไว้แต่รถบารับเครื่องเลยคือร่างกายของเขาเพิ่นเข่าสู้นิพานไลยร่างกายของเพิ่นน่ยยังติดเครื่องอยู่เพิ่นหายใจอยู่หายใจเขา่าหายใจออกอยู่วา้วาเปลือบบ้าอแต่ว่าใจของเพิ่นบอมีความรู้สึกเลยใจของเพิ่นพ่นเข่าสู้เข่าช่มเข่าช่มนิพานพลนนังเลยไอ้ไขว่าไปจอดรถไว้อยู่มองจอดรถที่ปลอดภัยวันโนไป ไานนี่ตัวของเพลินไปเขาไปชมห่างสัพพสินขา้าวเขาไปเดินชมห่างสัพพสินข่าวไป อ, อันนี้คือกันพระปฏิเจรพุทธเจ้าพระรหัสสาวกที่เพลินเขานิโรธสมาบัตินะเพลินก็ไปจอดอไปหาที่มุ่งที่ปลอดภัยแล้วก็นั่งสมาธิเพลินก็นตั้งจิตอธิษฐานไว้ร่างกายของข้าพเจ้าอย่าได้มีความเป็นไปโดยประการทั้งปวงนะ นี่แหะอันนี้แหละพระสาริพุทธพันไปนั่งเข้าช้านสัมมาบัตยอยู่ในกลางแจงนั่งอยู่ในกลางแจง อ, อัลละวรกยักนี่ยห้อมาทางอากาศเห็นพระสาริพุทธป่งผมใหม่ๆยังมือนี่ยนะพระพระสงฆ์ถึงปองผมเลยพอปังปองผมแลไปก็ น, นั่งเข่านี้เข้าช้านสัมมาบัตยอยู่ในกลางแจงอยู่ในพระลานหินด้ไปอัลละวรกยักษห้อมาทางอากาศมีตาพดวันไป นยายักษ์คนนั้นมีตะโพธพอมด้ยคือคำกัญย์วัดต่างๆพ่อญาษ์ยืนกับว่ามีตะโพธพอมเลมีคอนพอมเลยว่านยายักษ์ถือตะพธเพาะมาทางอากาศมาเห็นภาษารบุตรนั่งสมาธิอยู่ในกลางแจ้งวันไปเดือนหงายอีกต่างหากวันเดือนซองหรือว่าไปซองไปถึกผมพังป๋งมไม่ไหมวันเาไปเหลืองแผลบผๆบผับผับผับผับวนัน า, าคงจะเป็น หัวลานถึกแสงเดือนลักษณะจังสันละคนออไปเอ่พนในพืนนป่งผมใหม่ได้พื้นกำลังอยู่ในพระล้านหินหันออกไปยับตอนนคึดขน้องขึข้นมากเลยตะพอด on, ของคาตีภูเขาก็ยบทั้งภูเขาตีสร้างก็แตกกระจายแต่บ่เคยตีแต่หัวสมณะเนเป็นยังไงผมคนเดี้เนี่ยคนความสัวเน่มันคืดได้ยังไงไปหายจะคืดตีหัวพระวันออกไปเออ แต่ไม่เคยแต่ตีหัวสมณะหนะ่อยมันจะเป็นยังไงตะโพดของขาเนี่ยคนวันใด อ, า, อ า, าราวอกระยักคนองนไปพอลงขึ้นมากเลวก็ตีหัวภาษาลิบุตรเลยแล้วใส่ตะโพดิใส่ปังเพื่นว่าไอ้หินก้อนน่้นนะยบลงไปเพ่งแอวคนใดให้ข้าววัดเพื่นนางขจมาทียบลงไปเลยคืบหนึ่งแล้วนลไปเพื่อเพ่งแอวคนไปก้อนหินยบกล่ะคนไป มันหมดเปนธรรมดาก็เห็นขอนขอนยักตีกันออกไปยักกับกำลังสย่ออีกบาดสองกไปสินนำ้ำอีกก่อนไปตีหัวพระสาลิวดจะให้มิตดกันออกไปพ่อกําลังขายายออกมาเนี่ยพ่อหงายหลังเถอะนะแผนดินแยกพะะเพบเลยวนันไปมันตีหัวพระอาลลารผู้เขานีร่รอดเลยพ่อแยกเพบิบยักตัวนั้นก็ไหวล่องพุ่นแล้วล่ออาเวจีมหาลรกเดี๋ยวเนี่จักใจได้ขึ้นว่าได้ขึ้นย่อมว่าไป ไดคอนตะพดเป็นก็คงจะไปโคนละท่างะั่งนี่แหละกรามสัวอย่าท่ำสเสลยดีกว่าเมื่อกํามสัวท่ำลงไปแล้วกํามสัวให้ผลตนนั้นเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อพ่ายหลังนี่แหละพระยายักษ์นี่จะตีหัวภาษาเบุตรภาษาเลบุตรแผ่นดินแผ่นหินยกล่งเพียงเอวเพิ่นเพิ่ม่นั่งอยพรอขยออีบตดสองจะตีอีกว่อนึงไป แผ่นดินสูบอลาวกยักษ์ลงสู่อเวจีมหานรกในขังพุทธเจ้าของเฮาเนี่แผ่นดินสูบไม่อยู่หาคนนะสัทยาญาติโยมอลาวกยักษ์ที่ภูหนึ่งจินจิมานาวิกาเนี่ยภูหนึ่งเทวทธาตุภูหนึ่งสุภพุทธภูหนึ่งนั่นทมานบถิคมคือนั่งอุ บ, บลลวนาเภูหนึ่งหมดไปแผ่นดินสูบในถิ่นในอยู่เมื่อในประวัติในปัตรไตรปิฎกปอยุหาคนหมดไป มีหายมีหายผู้บาปทำกับบาปนักที่สุดวันไปจนแผ่นดินสูบจนแผ่นดินลองรับบ่อไรนี่คือกันนะเมื่อพระประเจกพ้นเขาในโหลดสมาบัตเจ็ดหมือวันไปบาในพ้นออกมาบินทบาเพ้นก็โอ้ไผน้อสีใสบุตใสทำบุตให้เฮ้าน้อเมอเนี่ยวันนะัเป็นกรบวนกเช่าตลาด้พาพจิประการแล้วป่ะ เออเฮาคนค้นก็บิ ม, มา่าไซบาดไอเฮาเพิ่นก็ เ, เลยออกมาบินตะบาดผ่านตลาดมาเ็มาเห็นพร่ำโปโลหิตตาจานผัวนัน่นเฮ้ยไซบาดพระปเจกเนอะประกาศคนทลายบอกโอ้พระเ ป, ป, ปิดอันเล่เองโปโลหิตตายจานบอกมะเนี่พวกเข้าส่บาดเขาคือไซบาดพระปเจกพุทธเจ้าเขาก็ได้บุญแล้วพันผู้ที่ทำบุญส่วนโปโลฮิตตาจานเนีเ่ย ส ม, มณะออกมาบินธวัดกินข่าลราไปหาตีพุ่งอยู่ในปา่าบริสอยบาดซอยเมืองบริสซอยราชาการเอ็ไปหาอยู่ความสุขเอาแต่ความสุขใสเจ้าของหา ห, าหารือหารูใหม่แบบเพิ่นบําเพ่นทางด้านจิตใจเพิ่นทุกขนาดใดอย่างองค์หลวงตามาหาปัววันมะอมีอันไะรจะทุกทอบังคับจิตใจให้อยู่กับเจ้าของให้อยู่กับพุทธโต้เนะี่ยขันพวกรองไปเสือล่อล่องหมดนะลูกดานนะ ครับไปบ้านปแมนอิริบ่ะเี่ยบังคับจิตใจให้มาอยู่กับพุธให้มอยู่ขับเจ้าของพุธท้พุ ท, ท้อ โ, โอพุธ ท, ท้อเลยข้ามสองข้ามคนนะ่ะไปโยงจิตเมริกาไปโยสายกบะหูเราไปบังคับคนเราไปบางทีจนเหื่อแตกเหงื่ อ, อไหลคนนะ่ะเออคนบังคับจิตใจของเจ้าของก่อนจะได้เปิลเปิลก่อนเปิลจะได้อัดได้ถ้ำนะก่อนะจะได้เป็นพระอริยะเจ้าขึ้นมาเนะ่ยมันโมแเมนธรรมดานะี่กันทว่าพัวเข้าอยู่ธรรมดาก็ คือทีสบายเป็นผ้าเน่ยเอ้ยเป็นพระสบายกว่ามิแต่ว่าเป็นพ้าที่เพิ่นทรมันเพิ่นฝึกฝนทางด้านจิตใจของเพิ่นเนี่ยบ่เป็นธรรมดาคือกันนะเนี่ยแหละการฝึกฝนทางด้านจิตใจบ่เป็นธรรมดาพวกเข้ามอ่งหนิเออพรโลหิตตายจานมอ่งไว้พระประเจกผู้ไดเจ้านี่กินเข้าแล้วไปตีพุ่งอยู่ในปาน่าไงเออบวริเห็ดยังเออหารูใหม่แบบเพิ่นบ่มเพ่นทางด้านจิตใจขนาดใหญ่วันออกไป ก่อนเพิ่นจะได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าออกไปอบัดเนี่ยก็เลยพระประเจกพุทธเจ้าไทหารมันก็ไปแล้วนะโปรหิตอาจาเนี่ยกัเขาในเวียงว่างพ่อตอนอายุสังขารเพิ่นก็เลยตายพ่อตายที่ประกาศให้คนถ้ำบุญเพิ่นไปสู่สวรรค์เล้ออกจากสวรรค์เพิ่นมาเกิดวันนี้มาเกิดเนี่วยเลยวันเไปมาเกิดเนีลูกเศรษฐีตระกูลเศรษฐีเฮ็ดยั้งขืนมัดคู่แน่ออดลไปทํามะค้าขายอจนเป็นเศรษฐี มาซาดเนี่ยเงินตั้งแปดสิบโกรธราชาเ8ีดโกรกัโกรนึงกสิบลานเนี่ลูกหลานนะเงิน10บาทสิบสบาทเป็นลอยสิบสเทือนเป็นลอย10 10อยเนี่เป็นพัน10บเป็นมือนสิบสมืนเี่เป็นแสน10 10แสนเนี่เป็นลลาน10 10ล้านเนี่เป็นโกรธเท่้อโกรธนึงก็คขึ้นสิลานไปมีเงินตั้งแปโกรเอา10ค้นเข้าไปทุกบาที่ดโกดเป็นเงินเท่าไรว่ พอเงินเงินคงข้างเนี่ยแนวอื่นอีกต่างหากวันออกไปรุ้ยขนาดวันออกไปเป็นเศรษฐีตั้งเป็นเศรษฐีได้สมัยนั้นเขาบุตรไดมีเงินถึงสี่สิโกดนะค่อยเป็นเศรษฐีได้อประกาศให้เป็นเศรษฐีได้อันนี้ถึงแปดสิบโขดนอแต่เศรษฐีพวกนั้ขี้ที่ขนาดวันออกไปบาทเนี่ยเกิดมาพบไต่ชาติใดพราะมันมองเปนสมบัติของเจ้าของเลยประกาศให้คนอื่นทำบุญวันอไป ประกาศให้ผู้อื่นทำบุญเขาทำบุญตัวเองเนี่ประกาศไปซื้อเงินออกไปบานนี่ของใดๆมากเนี่ยมันเป็นวอมันสมบัติของเจ้าของวอมันจงบัติของตัวเองทาเองเงินออกไปมันเป็นสมบัติประกาศให้คนอื่นทำบุญสี่ใส่บาทรนึ่งขยานมันขาดซิปหมดลงไปสีใส่บาตรสี่ใส่ซิบาตรจะมาขาดลอยอย่างมันขาดพ่านขาดเมือนขาดแสนหมไปได้ขี่ที่ประกาศใส่หมไปอปบะกาศใส่เงินหมไป มาฮเนีขาเขกันสีเขามาหลายๆเต็มยุงเต็มสสงไรมาเนี่ยพวกกากินเข่ากินเขากินเข่าคือไก่เนี่ยเม็ดที่มันหักเขาเปีนบานเ่ากเอิญเขาเปลี่นมันบอกเขาที่หักเขาปลายฮะนะแต่ภาษากลางเขาบอกเขาเข้าปลายบานเท่าเอิญเขาเปลี่นวนไปเขาที่หักะมาต้มมาต้ม่สมพระกรมพระกุมก็บอกกล้ากินเนื้อมาเด้่ยเจดายวนไปได้ขายวนไปกินน้ามันวนไป แล้วนำตามสมประกุมอ ม, มาผสมผสมก็เข่าหักกัอนออกไปเออคืออาหารเศรษฐีโยนออไปกินยังดีก็เรา ก, ก็ดีกินแล้วก็เป็นอันเงาเนหะมือาได้เศรษฐีว่าสรุปเลยคือคือแล้วกินแล้วก็เป็นขี่คือเกา ล, ะนะาลัดชนะล้านหมดไปจะมาหากินดิบกินดีนดยังก่อนเสือขึ้นกันเสือผ่านกนก็เสือดีๆบอกใครเอาไปขายสู้จะไปหาใส่ยังเสือดีเสือขัดขา ด, ดก็ได้มันมีตำหนิออกมามาให้กูใส่ะ ล่องเท่ากันขึ้กันโมคือนกันญานพาหานะคือนกันของใส่เศรษฐีไม่แต่ของปอนๆทั้งมัดเพกาะการใส่ของดีเอาโนไปเออของดีเอาไว้ขายเอาโนไปแต่ว่ากันผูวไรจะมาเป็นลูกน่องจะเป็นญาติเป็นวบ่อได้มึ่อจะมาเป็นญาติเป็นว่องกูได้กูสางฐานะมาแล้วมึงจะมาเป็นเอ่อกสมาเป็นลูกเป็นหลานกูหนีไล่ลูกไล่หลานหนีอีกเอาโนไป เออวิเศรษฐีผู้เดียวคนไปเอบ อ, อ, บ, อบ่อแย่บ่อแบงหายไปคนไปเออขนาดคนขี่ที่ป่ะไหนก็ยังตายเป็นขี้กันได้่ยวะเนี่ยงั้นม่คือพ่ตายเน้่ยตายคนออกไปเศรษฐีขี่ที่เนี่ยพ่อตายไปแล้ววะเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเขาก็ประกาศแล้วคนออไปเอ้ยผูดไรเออเป็นลูกของเศรษฐีเป็นญาติของเศรษฐีเป็นท่าญาติของเศรษฐีมีบอ่อกระแมนคนกูมือเนี่ยโอ้ยกระจูปุยรึเปล่ววาวะ สเป็นญาติก็เป็นทายาทวนันหนึไปแต่สมัยก่อนกฎหมายมันเด็ดขาดเนี่ยประ ก, กาศกันซื้ไปสืบมากกันเจ้าบวเป็นเขาก็ตัดข้อถิมบวชลงไปไพก็ลยาณ์ตัดขอตัวแมน บ, บวระม่มีผ่พวไรล้ะพระญาตเป็นเซนปร ะ, าประรปปา ก, กาศอยู่ม่มี่พวไรเป็นทายาทกันบวชเป็นทายาทเงินดีฮค่จังไรสมบัติของเศรษฐีบ่มี่ทายาทบ่มีพี่นองควรจะเอาขนเขาทองผักขั้งอ่าไป ขนเขานขนเข่าทองพระคลังทั้งหมดให้เป็นของหลวงพระเยาประเศษที่โกสนก็ทจัดเกวียนไปหาลอยเหล่มกไปจากเกียนหาเลยก็ขนทรัพย์สมบัติเขามาไว้ในทองพระคลังถึงเจ็ดหมื่นหมไปคำนวนคูมือนน่อยก็ได้รถซิบหล่อรถพ่วงมันก็บรรลประณานวอาวหมือเดียวก็แล้วอ้มันคน ผลเจดมือเขียนหาล่อยเอาหนูไปพ่อได้บตรพระ้าพัเเนเสอได้ทรัพย์สมวัติของเศรษฐีนะครับอยู่ขวบคุ้มแล้วอย่ามันรั่วไหลได้เป็นบ่อละเ อ, อมีแต่เงินข้ามทรพย์สมบัติพระเจ้าพันเสดจูในสายตาตลอดลคุ้มเงินมัไปคุ้มเงินคุ้มทองเพื่อเอาเข่าคองทองประค่งจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเจ็ดมืออาหไปพ่อเจ็ดมือแล้วอ้โหบ่ได้ไปกราบพระพุทธเจ้าเจ็ดมือเอาหไป ตะกอนไปคู่มือทั้งเสาทั้งแรงก็มีทั้งเทือไปอย่างมาแรงก็ไม่ย่างมือนเสาก็มีแต่บ่ไหนบ่ไหนไปเจ็ดมือเราไปเพราะควบคุ้มทรัพย์สมบัติัพสมบัติเข่าทองประค่างหลวงพ่อแล้วแล้วก็พระเจ้าพระเจงก็เลยไปกราบพระพุทธเจา้าไปตอนบ่ายบายนี่ยตอนเะที่ยงตอนบ่ายหนึ่งเนี่ยบ่ายบ่ายโมงนะพ่อไปกราบพระพุทธเจา้าพระองค์ถามว่ามหาบพิษ ท, ทําไมมาวันนี้มาผิดปกติ ตะ ก, กรอนมาแต่เสาร์เ น, นี่ยมือแรงแต่มือนี่มีเหตุอะไรหนอจริงๆมาตอนบ่ายจังสิไปยญางปัสเสียได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข่านะะี่ข่าพระองค์ขนทรัพย์สมบัติของเศรษฐีเข้ามาไหว้ในท้องพระคั่งเจ็ดมือเกี่ยนเกวียนหาลอยเหล่มหาก็แล้วมือนี่หากกรแลเนี่เมื่อแล้วเลยข่าพระองค์คิดลำเลึกถึงพระพุทธองค์จึงได้รีบมากราบพระพุทธเจ้า ถึงเวลานี่ยไปเจ้าข่าผิดปกติเวลาผิดปกติเวลาบ่ายเออพูใ้ใจเจ้าวะมหาบพุพิดเศรษฐีผู้นี่น่ะเขาเคยรุ้ยมาแล้ยนี่แหละเป็นชาติที่เจ็ดนะชาติที่เป็นชาติที่เจ็่ออกจากนี่ลจะจนจนระบาดเนี้มันเป็นอย่างหนอไปเจา้เขาข่าเขาเขาได้ทําบุญทําอ้อย่างไว้ห น, หนอจึงจึงรุ้ยบ้าไปเจ้าข่าเพราะผูใ้ใจเจ้าจึงบอกว่าน่ยะ เขาเป็นโพลกิตไตจาร์ยู่ในเขตแขวงกรุงพระลานารีเขาเห็นพระประเจกพุทธเจ้ามาบิณฑบาตในตลาดเขาในประกาศให้คนทําบุญคนทั้งหลายก็ทําบุญตักบาตรพระประเจกพุทธเจ้าแต่ตัวเองเนี่คิดแนวหนึ่งว่าอะไรทำบุญเพราะในนั้นเวลาเขาได้สมบัติมาเขาประกาศใส่ไปเขาเสียดายกันลงไปเพราะมันมันโมเมนสมบัติโมเมนผลบุญของเจ้าของกันไปมันเป็นผลบุญที่เบาซื้อว่าอะไรทำกันไป นี่แหละให้พวกเข้าสังเกตพวกนะั้นคันผัวได้ขี่ที่โบวจักใส่เงินลนะงพอว่าเขาคายระเภทนั่นแหล อ, อให้พวกเข้าฟังฟังเบงิ้งเบิ้งนะให้สังเกตพวนะั้แสดงบอกให้ทั้งผู้อื่น้ะทำบุญเจ้าของบท่ทำบุญออกไปแต่ลงพรวนะ่บเขแปลกนั่นนะึงเลยมิจะทำบุญปฏินนะกิรทีาเจ้าของไม่ก็แปลกอีกแล้กันนะวะ่าการทำบุญกับผู้อื่นให้ตะเพะื่อออกไปการซื้อยังมาให้เจ้าของเสียดายออกไป ลงพอเนี่เปนเต่ดในเอกกว่านอกแต่หายผู้อื่นหายได้กว่านไปแต่ว่ามาสื่อใสให้ยเจ้าของจะไปใสอย่างพา่อปราริพน่กับพ่อหละนะแต่หายผู้อื่นหายเด็ยังไปเมือกซิโกไปอินโดนีเซียได้เงินทั้งซี400ลอยซีลเจล้านมันเท่าไรนะก่านี่ยซีลอยเจ็ล้านของนโมเมนตหน่อยได้ลูกละแต่คิดเป็นเงินไทยใดืนล้านกว่าบาท <libro> เงินอินโดนีเซียสามร้อยเจ็ดสบหสรอยเจ็ิบหู้ปีะต่อหนึ่งบาทไทยนะพื่อไปเนี่แหละหลวงพ่อได้มาหลวงพ่อก็ให้ตามวัดต่างๆได้ป่ะเนี่ยมูลดีทีนั่นมูลดีทีนี่หายมัดหลวงพ่อหายมูล่ไ ด, ด, ด้ออกมาเลยบื่อกออกมาหอกว่าเอาเงินของประเทศอินโดนีเซียมันเกิดในประเทศเขาเขาก็ต้องมอบให้เขามันเกิดจุดนี้ก็มอบให้ประเทศนี้ล่ะ มาต้องเอากลับไปเมืองไทยเสียซักสีนเดหลวงพอวานเสียเสียซักสีหัวหนไปเมันเกิดยู่นี่ต้องเอาไว้นีเลหลวงพ่อได้ปรึกษานี่ได้ยหลวงพ่อบารุงนั่งอยู่นี่ด้หลวงพ่อซักก็นังเย็หลวงรัตนกะก็ังอย็นหลวงพ่อบเมีเมอว อ, อดีเจ้าของเน่เออมีมีตังจันอลีนะี่หลวงพอว่อบอกโตนาหาพวกเพินเนี่ยนะหมอบหมัดทาตามบัดต่างต่างเออ ให้เป็นมู่นิธิมู่นิธิบางคนอพ้นดูแลเด็กนักเรียนที่ยากจนหลวงพ่อให้ไปตั้งสี่แสนคนนะแล้วก็วัดที่เป็นดูแล เ, เด็กเขามาบวชกันบวชได้จะมาบวชพ่อจะห้ามให้มาบวชไปสี่ปีพอนะอายุยี่สิบกว่าปีกระทบบ่อยให้บวชเป็นพระลงไปให้บวชเพื่อการศึกษาสีป่ปีทั้งแม่ทั้งแม่ชี้ตัวม่ชีน่อยหนะ้อยแชี้น่อยนะี่แหละ ยีกว่าปีขั้นมาอยู่วัดเพิน่นผ่นเพให้ออกไปใส่เด้อายุสี่ปีเฟ้นเสียแต่เจ็บพอแม่เจ็บไข่ได้ป่วยเพิ่นยังให้ออกเพิ่นขวบคุม้มลงไปออกไปแล้วบัดจบไปแล้วให้เป็นอาจารย์สอนทั้งพุทธศาสนานะเนี่ยเท่าโอ้มีประโยชน์นี้เท่าถวายเพิ่นอีกคนไปอถวายพิ่นยี่สิบล้านรูปปีอยค น, นไปเ้วก็เสียต้อมเพิ่นถวายอีกมั้งคับเสียที่ร่วมเป็นสองหมื่นร่วมกันเลยประมาณ เอดหมื่นกว่าบาทวัวนละไปผลช่วงมันส่งมาท่านลวดครับต้องตั้งตั้งต้นม้วันไปกลาเป็นเท้าลวยก็เท้ากระเจี๊ยหอยหลายกว่านันา้นจังันไปเนี่ยไปเท้าก็แจกไปเรื่อยๆขอมูนในที่นั่นขอมูนในทีน่นี่จนมัดหนะเท้ากับม้าวันไปนี่แหละการทับุญของหลวงพอ่อนี่แหละขอให้ลูกหลานคณะทธาญญโยมเนอะเมื่อพร่ำผู้นั้นนะพระิตตาจา์ผู้นั้นนะ ลวดมันเป็นชาติที่เจ็ดะนเลยมาถึงชาตินี่ก็เลยมอดบุญวันหนึ่งไปพออเนสงประกาศให้พระคนใไสบาดพระปฏเจกพุทธเจานะ้าเนี่ยส่งถึงเจ็ชาติาไปอย่างที่หลวงพอ่อเล่านนะ่ะเอาเห็ดหน้าปีหนึ่งเลยเออเพระเห็ดตอเอกนะเอปเ็เนวะละกินกินปีได้ก็กินปีได้ก็กินบพเห็ดตอนี่ไปแต่ยังดีเด้เออเพราะอเนสงยางมากแลว้ววน่งไป ทรงภาพถึงเจ็ดชากิันไปพวกเข้าเข้ากั น, เ, นเห็ดหน้านพอบความคั่วกินพไดไเหตตต่อนเนี่มันจะกินในหลายปา น, นันบ่อ ก, กินเขาเป็นบละอันนี้เนภาพพนันเป็นทรงแต่เจ็ดชากมันก็เลยเมดบุญพอมดบุญบานเพราะพวทยเจ้าปฏิรทธรรมหนา้านยมันจะไปใส่นเนาะมันเกิดเข่งแ ข, ขว ง, ข ว, งขวางไปละบาดพรมันจะเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นชัดที่ชานเป็นอยังไปในมืดทั้งมืดละบาดเนี ขันเขาทำเหตุความสัวขันเขาเหตุความสัวก็ไปตามสัวถ้าเหตุตั้งดีก็ไปตามดีของเขาแล้วไปพราะพูดแต่เจ้าบ่ทำหน้ายอยู่ทำแต่ว่าเจ็ดชาติเปรี้ยวมาตรฐานวันน่งไปบุญกุศลตั้น์เกลือขุนเกลือกุนเกลือกุนหนุนหนุนอยู่เกิดมาพบหนักเป็นเศรษฐีเกิดมาโชคนักเศรษฐีว่าไงเพราะบุญกุศลคุ้มคล้องอยู่เ น, นี่แหละขอให้พวกเข้าคณะสัตยาติโยมลูกหลานทุกคนนะ ตายแล้วบ่อสูญนะตายแล้วเกิดอีกเลยในหลักของพุทธศาสนาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปทำสี่ทั้งแน่วมันโบดีสิ่งที่มั่นโบดีก็ให้ผลกับเป็นทุกละคันหัวทำทีสิ่งที่ดีมันก็เป็นบุญเป็นกุศลอน่ะเมื่อเนี่กิดเสียเวลาในการสวดมนต์เสียเวลาในการทำกิจกรรมหลายๆอย่างจนหดเก่าโม่กว่าละเดี๋ยวคุณบานมนมคุณบาหน่อยกันสิหิวมัก เอาตอนนี้ไปรับพรในบันนี้นะอุทิศส่วนกุศลนะลูกหลานนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าภาพอุทิศตั้งจิตตั้งใจอุทิศส่วนกุศลต่อภู้มเจ้าทีผู้มะลุกคะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวดวงวิญ ญ, ญาณใดที่ตกทุกข์ก็ขอให้ผนจากทุกดวงวิญ ญ, ญาณใดที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้ไม่ความสุขจริงๆิงขึ้นไปในขณะที่พระสงฆ์อนุโมทนาใหาพ้พร